ข้าต้มตอนเช้าก็ยังถ่ำาโน้นยแล้วมันกับสองสมพันธ์สามพันถามโยมเขานะถ้ามีหมูเยอะๆหน่อยก็ประมาณนั้นหมูฝอยบ้างหมูต่อนหมูอะไรจะเยอะนี่นะแล้วมีขนมนมเนยไปอย้ยสามพันไม่อยู่นี่ตอนเย็นน้ำปะนะก็น้ำปะนะที่นมดีเลยไอศครีมหางยาวแค่สอกเนี่ย ้น้ำปั่นผลไม้ฟ้าทลายโจนมันก็ไม่ต่ำกว่าสักสองพันไอหิมก็เป็นถังก็สักสองถังถังละประมาณสักพันหนึ่งเก้าร้อยแต่น้ำดื่มประจำวันก็เอาในโอ่ง กับข้าวตอนกลางวันถ้าร้อยคนร้อยคนคนละสามสิบบาทสิสิบบาทห้าโอยก็ค่าฟืนข่าไฟข้างนู้นข้าง น, น, นี้แหละค่ากับข้าวประมาณเ <c oughs> มื่นเนี่ยไม่อยากจะอยู่เลยําไปนะถ้าคนเยอะมันไม่อยู่นะร้อยคนก็หลายคนประมาณนั่นแหละนะที่วัดก็จะมีแบบนี้แหละก้าว คนไปทำบุญนทำกระทิ้นทำป่าป่าเอาเก็บไว้ส่วนหนึ่งใช้นี่ให้พระใช้นี่ให้พระดยได้ใช้นี่บาะคือพระหลา ย, ลา ย, ลายองค์เป็นนี่ช่วยเขาทำบาป ท, ทำกรรมมาดิก็ต้องได้ใจช่วยอาหาการกินดูแลเรื่อง หนี้สินทรัพย์สินไอ้สารพัดเดี๋ยวนี้น่าเสียดายนะอย่างพระที่ไปบวช ด, ด้วยองค์นั้นองค์นี้ก็ดีส่วนมากเนี่ยคือเขาเป็นหนี้สินโดยที่เขาไม่ได้จิตนาคือเข้าสู่ในวงการกระบวนการแบบโลกๆเลยคือเกิดมา ก, ก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมเรียนหนังสือจบปริญญาตรีไปงานยััฐเขาก็ให้ยืมเรียนใช่ไหมมีไหมนั่นแหะยืมเรียน เขาก็ยืมเรียนทีนี้พอเขามาบวชเฮ้ยเขาว่าชีวิตเขาคือทางนี้อันนั้นเขาไม่ใช่แต่เขาก็มีความจําเป็นต้องศึกออกไปหาเงินเลี้ยงหนี้เขานะนะั่นแหะไปใช้หนี้เขาหนี้ที่ยืมเรียนไงนี่คือปัญหาแหละจะอยู่นานก็ไม่ได้เพราะต้องหาหนี้ยืมส่งเสียเล่าเรียนหลวงตาก็มีความรู้สึกนะพระไปอยู่ด้วยหลายองค์องค์งนั้นองค์นี้บ้างอา้าวหลวงตารับใช้ให้ ใช้นี้พวกเนี้ยนี่ยืมเรียนเพราะเขาไม่ได้เจตนาว่าเขาจะทําแบบนั้นคือถ้าคนไหนที่พบทางสะอาดสว่างของชีวิตจริงๆแล้วเขาพอใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปอา้าวพระตาจ่ายให้อา้าวปีนี้จ่ายปกติปีที่สองก็จ่ายปีที่สามเริ่มสองเท่าเลยได้ทีนี่ปีที่สามสามเท่าสี่เท่าเลยได้เนี่ยเริ่มจ่ายเป็นแสนขึ้นเลยเด้่เพราะอะไรเพราะว่าอา้าวคือคนเขาอยากสว่างนะี่ยเขามีเจตนาที่จะเห็นทางทอนนี้เราพอช่วยไราก็ช่วยไป นะเอาถ้าใช้นี่แนละ้วมันศึกไปเอาเมียน่ะเอาตามธรรมดาก็ธรรมชาติเขาเพราธรรมดาเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไปตามเรื่องคนอยู่ได้ก็ยูอยู่ไม่ได้ก็ธรรมชาตินะอันเนี้แต่ระยะที่อยู่กับเราเนี่ยคืออันไหนพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปเพราะในวัดสมนั้นเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รับสวดมนต์ไม่ได้ไปทําบุญทาทานคุยกับพระท่านมาจากขอนแขีนว่าใปีหนึ่งได้หลายหมื่นได้หลายแสนสวดมนต์เนี่ยประจําเลย เดินจุกรมอย่างนี้ยังเอาหนังสือมนต์พิธีมาท่องเพื่อกลับไปนี่จะไปหายสวดกินอีกต่างหาก oh. ถาไวไอ้ไกลจากวัดผมหลายเนาะวัดสมนั้นไม่มีนะไม่ได้รับกินนิมนต์นะไม่ได้ขึ้นบ้านเก่าล่นว่างใหมเ่เจอมไปอะไรไม่มีนะไปสวดงานนั่นงานนี่ไม่มีท่านพระในวัดในเวลาได้ไปสวดกับเขาแม้แต่คนตายในบ้านยังไม่ได้ไปสวดเลย เขานีม้มนพระจากวัดอื่นมาสวดวัดสมบัตนั้นเนี่ยวัดเราไม่ได้รับปานนั้นนะอาจจะมีวัดเดียวในประเทศไทยเนี่ยแต่บางทีเขาบังคับไปเวลาไปโยมเราตายเนี่ยก็ได้ไปไปกับไปร่วมงานกับพระวัดอื่นก็ต้องได้ทำแบบนี้มันไม่ได้หลวงตาเขาสอนวิดีให้ให้มันถูกจังหวะกับที่เขาอ้าน่ะนะ่นเรา โอสลาทร ม, มาถ้มมามันนั้นก็เอาอัดขึ้ น, นมาหน่อยนะบอกวิธีให้อะไรครั้งบนะาทีเราก็ไอนะจังหวะก็สอนไว้นะวิธีเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดไม่อายอะไรนั้นะเวลานิมนต์คุบาไปแทนหลวงตาเนี่ยไปเขาก็ไม่อยากไปเพราะมัเขาไม่อยากทำนะ รู้ตาก็ไม่อยากไปใครครก็ไม่อยากไปเพราะมันไม่ได้แต่รูตาก็ได้หมดเลยรู้ตากี่เกียรติเนี่ยพราะมันมันไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้หรแต่พระเข้าไปก็ยังไงอยู่นะไอานั่นนะเขาว่าบางทีโยมเขาก็ถามนะมาเป่าแคนหรือท่านเขาถามนะเงื้อแตกพักๆนะเจ้ก็แแลเปียกมดแหลมโยมเขาก็มองดูพระพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมนั่นอยู่นะ เขาว่าทําไมไม่ลํานี่แต่จะเป่าเคียนอยู่นั่นนะ่ะนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกได้หัดมาแต่ถ้าท่านไปไปอยู่วัดอื่นที่เขาหาเงินแบบนั้นได้ไหมได้ได้ท่านไปสวดท่านก็สวดได้ท่านไปจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเนะ่ยไปท่องไปนะั้นท่านก็สวดก็หาเงินได้แต่ท่านพอใจที่จะอยู่แบบนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญของศาสนานเพราะถ้าอยู่หลวงตา มัก็ลาบากแต่สิ่งที่ได้ก็คือญาติโยมนะได้เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมอย่างผู้บาโอน่นนี่ท่านเดินโจยกโกไปเพื่อนเ่อ<ๆ>มีประโยชน์มากนะนี่คือช่วยพระศาสนานะแต่ท่านไปอยู่นอนเวีนกินข้าวฟังเพลงสวดมนต์ใดเงินท่านก็ทําได้แต่ท่านไม่ไปท่านชอบที่จะอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณของพระศาสนานั้นถ้าหากว่าเราจะช่วยเหลือท่านบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ทําได้ดีกว่าเรื่องอื่น ท่านฝึกฝนแต่โยม อ, อสิ่งที่เกิดมาเนี่มีเท่านี้แหละชีวิตเราสิ่งที่เขาจะให้ก็คือธรรมชาตินี้เข้าถึงธรรมชาตินี่้างชีวิตเนี่ยแทนที่จะไปจมอยู่กับเรื่องอื่นไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่เราว่าเราได้เนี่ยเดี๋ยวหน่อยลูกมันก็แย่งเอาไปล่ำรวยขนาดไหนก็เดี๋ยวลูกมันเอาไปเดี๋ยวหลานมันเอาไปเราทําอะไรเอาไปได้นั้นเขาถึงว่าฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาคือหมั่ น, นทําบุญทำทานเนี่ย ฝึกจิตฝึกวิปัสสนาทำบุญให้ทานรักษาสินจเจริญภาวนาเนี่ยแต่นี่เราเออทำตาทำตาธรรมชาติที่ควรเป็นควรมีค่อยๆพัฒนาไปเกือกูลไปบางคนช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเขาช่วยเหลือคนอื่นอย่างอยู่ที่นี่เนาะอย่างโยมลินเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวเขาทำโน่นทำนี่นะ กว่าเขาจะปฏิบัติธรรมได้กันหลายปีแต่พอเขาปฏิบัติธรรมเขาเริ่มเขาชีวิตเขาที่เหลือเขาก็ให้คนอื่นเนี่ยมาทำกับข้าวให้บ้างมาช่วยวัดช่วยว่านะไกลนะจากอาเภอสันกำแพงมาเนี่ยไกล น, นอกจากให้ที่ดินพวกนี้แล้วก็เอาให้มาดูแลพระด้วยพาปฏิบัติธรรมด้วย ช่วยกับข้าวด้วยบางทีก็ช่วยเรื่องเงินทามันขาดเรืออะไรก็ไปซื้อไปอะไรไมาดูแลในะ้เนี่ยจากที่เขาเป็นเคยเป็นคนรับเงินขายของเนี่ยรับจากคนอื่นจากที้เขาเริ่มเป็นคนทําหน้าที่เป็นผู้ให้ให้คนอื่นเนี่ยให้ความสุขกับคนอื่นเจออาจารย์คนอื่นทั้งที่สังขารสุขภาพอะไรเขาไม่ได้เ อ, อื่ออํานวยเหมือนหลายหลายคนน่ะเหมือนลงตาเหมือนคนรน้นคนนี้นะแต่เขาเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ดี คนหลายๆคนนัมีความสุขเพราะการขอนะบางคนหลายๆคนมีความสุขเพราะการได้จากคนอื่นแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วเป็นความสุขที่เกิดจากการให้นะให้โดยไม่หวังผลนะแต่ก่อนหวังว่าให้แล้วจะได้ความสุขมาแต่นี่ให้เพราะเห็นว่ามันเป็นความดีมันมีประโยชน์นั้นเราก็เห็นเห็นว่าออสังคมเนี่ย หลายคนหลายๆคนมาปฏิบัติทำอา้าวก็เกิดปัญญาขึ้นมาคุณออสก็เป็นคนหนึ่งนะที่ทําหน้าที่เอา้าให้อะไรมันก็ไม่รู้จักให้อะไรกับคนเนี่ยเขาก็ให้ความสุขกับคนอา้าชักชวนไปแต่ก่อนก็ชวนมาธรรมดาเขาไม่มาอา้าผมออกข้าวรถให้ฟรีไปถ้าจะไปปฏิบัติธรรมแต่ยาขนาดนี้มันก็ยังถอนตัวนะขนาดให้มันมาฟรีเนี่ยยังยากลําบากนะ ถ้าเป็นลวงตาเลยไม่ฟรีลวงตาอ้าวใครจะไปไปฏิบัติธรรมผมเก็บสองพันบาทรับประกันมันไว้ก่อนถ้ามันถอนตัวเอาหมดเลยให้มันรู้สึกว่าผูกพันมันไว้นะเอานึงพันบาทอะไรประมาณนั้นสองพันบาทเอาไปกลับนะค่ารถยึดเนี่ยถ้าสมาัครเก็บกันดีเลยถ้าถอนตัวยึดถ้ามาค่อยว่ากันไปอีกทีห น, น, นึ่งนะยังไงจะได้ถ้างั้นก็ลําบากเราอ่ะ นะถามว่าจริงๆมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วค่ารถจ่ายฟรีๆเราก็ยินดีจ่ายแต่สําคัญคือมันไม่ได้อะไรต้องบอกว่าเต็มแล้วคนนั้นจะมาสมาัครมันเต็มแล้วเขาสมัครเต็มแล้วอยู่ๆก็ถอนไปเนี่ยมันก็ทําให้เสียนะนั่นก็หมายความว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่คนละมุมละมองในการที่จะขนขวายกระดุงสังคมนี้ให้มีธรรมมีศีล ข, ขึ้นมาเนี่ย เอาพระก็ทำหน้าที่สอนยาโยมทำหน้าที่อะไรนะชักชวนอวนต้านอะไรประมาณคือทำหน้าที่คนไหนทำหน้าที่ตรงไหนนัก็ทรมหน้าที่นะเราขอชวนคนในครอบในครัวเราปฏิบัติศึกษาจริงๆใครได้พระได้ไหมโอ้ยทุกเจ็บตายนี่ก็สอนทั้งวั น, นะ น, น, นทั้งคืนนอนเฉยๆได้ไม่บิณระบาดกินข้าวแล้วมาก็นั่งที่เจได้แต่ก็ทำหน้าที่มาทำหน้าที่สอนเนี่ยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร ดูมที่เขาทำแหละเขาช่วยกันมาเลี้ยงข้าวปลาหานี่เขาหวังอะไรจากเระเขาไม่ได้หวังอะไรจากเราอะหวังแต่ว่าคอยมาฟังว่าเราได้ธรรมะไหมได้ธรรมะไหมจิตเราดีไหมเราเปลี่ยนนิสัยใจคอได้ไหมจิตใจมันตื่นมันเบิกบานขึ้นไหมอันนั้นแหละสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะได้ยินได้ฟังอยากจะได้รับรู้โอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เปลี่ยนไปเนาะ เออเดีจะได้มีญาติธรรมร่วมกันขึ้นคนปฏิบัติธรรมร่วมกันคนเห็นกิเห็นใจตัวเองคนจะเริ่มทวนกระแสะอารมณ์คนจะเริ่มปล่อยวางมีมากขึ้นละนอ้อตัวนั้นจะมีแสนเทียงสว่างเขาก็คงจะบอกกันต่อๆไปคนนั้นก็คงจะบอกพี่บอกน้องบอกครอบครัวผัวเมียเขาโอ้ยรู้จักปล่อยวางเด้ออย่างนั้นเขาก็เป็นตัวอย่างเนียเขาไม่พูดให้ฟังเขาก็ไปทําให้ดูไม่ทําให้ดูเขาก็อยู่แบบไม่มีทุกข์ในสังคมให้ครอบครัวเขาเห็น มันก็สบายตรงนั้นมันก็จะเกิดปัญญาโอ้ตัวนั้นก็มีเทียนเล่มนึ่งตั้งไว้ตรงนั้นคนก็มาต่อเอาโอ้ยพี่ทำยังไงถึงสบายจังอ่ะโอ้ผมตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมผมปล่อยวางได้เยอะเนี่ยอันนี้แหละคือการเผยแพร่ธรร ม, มะแหละเนี่ยเผยแพร่ธรร ม, มะละเราทําอะไรอทีเนี้ยอา้ามีรถเหรอมีรถก็ เอารถพาเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจ่ารถเป็นประโยชน์มีอำนาจหรอือมีอาหารการกินแล้วมีอาหารการกินก็ช่วยทางอาหารการกินมีอำนาจก็ช่วย บ, บังคับลูกมาปฏิบัติธรรมบังคับคนงานเอาไปปฏิบัติธรรมไหมเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันสังคมสงบ ส, งบสุขแน่นอนเะนี่ยคนต้องปฏิเสธเดี๋ยวเรบางคนที่มันไม่ชอบก็เย่อแย่ไปจะให้มันเห็นหมดด้วยกันเนี่ยมันยากแม้แต่จ่ายเงินให้มันเนี่ยมันยังว่าเลยว่าอืมได้มากได้น้อย ค่าตัวมันตอนนั้นตอนนี้มันยังเห็นแตกต่างกันน้ำภาษาอะไรให้มันมาดูทุกตัวเองเนี่ยมันจะไม่ปฏิเสธมันจะไม่ยอมรับมันยากนะมันยากยากที่จะมียากที่จะรับได้เนี่ยแต่ก็อาศัยที่เราปฏิบัติทำบ้างแล้วเราฝึกสติบ้างแล้วเนี่ยเราไม่กลัวเขาปฏิเสธเราก็รับได้นะเขายกย่องสารเสริญเราก็ไม่หวั่นไหว คือเรามีทำในใจแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปรากฏการณ์ของกิเลสกับธรรมะจานั้นแหละคนในโลกนี้ก็มีสองเงันนั้นน่ะนะเพียงแต่ว่าจะกิเลสน้อยกิเลสมากแล้วคนกิเลสมากก็ชวนยากกิเลสน้อยก็ชวนง่ายแต่ว่าคนกิเลสมากๆเราก็ต้องชวนอยู่น่น่ะเพราะอะไรเพราะพวกนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันเป็ น, นกลไกสังคมเป็นเป็นกุญแจนะ เป็นกุญแจของสังคมเป็นคีย์เวิร์ดเป็นอะไรต่างๆที่จะไขปัญหาทั้งหมดได้ถ้าคนมีอํานาจวาสนาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสังคมมันดีขึ้นเยอะส่วนมากแต่มีแต่คนคลิบจะให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รักษาจิตรักษาใจตัวเองได้แต่พวกที่มันสร้างปัญหากับสังคมพวกช่อลาบบรรหลวงชกพวกที่มีอิทธิพลต่อสังคมเนี่ยมันไม่ปฏิบัติเนี่ยนั้นทํำยังไงเราจึงจะขยับเข้าไปใกล้เขาให้เขาได้รู้จักตัวเองขึ้นมานั้นพอจ้างก็จ้าง เห็นไหมคนนอกแนวเนี่ยเอาพวกเองไปปฏิบัติค่าใจ่ายให้คนละหมื่นต่อเจ็ดวันลุงตาเคยเห็นนะเป็นล้านนะล้านหนึ่งนะสิบวันเนี่ยวันละแสนเขาให้มาในวัดสมนั้นมีคนหนึ่งที่เขาจ้างมาจากเยอรมันเนี่ยล้านหนึ่งลงุงตาขัดสะ จ, จัน๋นโอ้พอสมควรหก0มื่นเจ็ดมืนเนี่ยแลกมอเตอร์ไซค์แลกอะไร่เนี่เห็นอยู่เรื่อยพ่อแม่เขาแลก ไปดีไไปจะว่าทำมึงอยากได้มอร์ไซค์ไหอยากได้กีตาร์ไฟไม่ไปดีผู้ชายอย่างเงี้ยอันนี้มันเลื่อยๆอยู่หรอกท่านทำยังไงก็ตามสังคมมันจะดีขึ้นแล้วก็ช่วยกันคนอยู่มุมไหนก็ช่วยกันตรงนั้นนะทาไม่ได้ก็คือเทศไม่ให้ไม่ได้ก็คือทําให้ดูเกื้อกูลกันตามตามเหตุปัจจัยพอได้ยังไม่พูดถึงพระนะเนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือในการเผยแพร่ร ธ, ธรรมะว่า อย่างฤดูหนาวเนี่ยผู้เธอมาปฏิบัติธรรมก็ซื้อถุงตีนมาฝากพระบ้างใช่ัหมควรจะมีเนะี่ยถุงมือก็ได้หรือหลวงตาเห็นบางคนมานะเขามีเสื้อแบบไม่มีตัวเนะี่ยพระเขาอยากได้อยู่ใช่ไหมมันมีแต่แขนแค่นี้มีเนาะมีไหมถ้าพระใส่คนละตัวคงจะเ่ยวอะ มันจะเป็นยังไงออกมาก็ไม่รู้นะแต่เห็นโยมเขาใส่นะเขาไม่มีเสื้อนะแต่มีแขียนซุปใส่แค่เนี้ยคงตายโอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงน้อเนี่ยมันคงจะไม่ดีอย่างคนบางคนมาเขาก็ซื้อหมวกมาฝากพระอะไรไปหมดแล้วคือฝระเขาไม่ได้ขอไม่ได้เรียกร้องอะไรกินก็ะเทียมมือ น, นี่นี่ห น, น, น่อยหน่อยนี่สิ่งที่เขาใช้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่เขาทํางานเพื่อสังคมทั้งปีทั้งชาติแบบเนี้ยทําเพื่ออะไร เพื่อคนใี่เกิดดวงตาเฉยๆนยแล้วมีหุ้นส่วนอะไรกับสังคมเอสังคมมันสงบสุขตัวนั้นเองเนี่ยเขาถึงว่าเป็นคนของประชาชนนะพวกพระเนี่ยถ้าทำจริงนะมันมีประโยชน์เนี่ยบางคนมาถือน้าผึ้งมาถวายพระนี่พอเห้าตัวแรงตอนคําๆพอมีกำลังใจเขาจุ่มๆกับอะไรนะมาขำป้อมไปตามเรื่องนะเนี่ยเอาแค่นี้พออยู่ได้ ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ต้องมีหรอกอา้าวลีวายนั่นนั้นนี่นี่นิดหน่อยเองชีวิตพระเนี่ยแต่ทำงานนี่ทำงานเยอะมากเนี่อา้าไหวพร้อมกัน